นลมาลิกาเทริยาปทานประวัติในดิตชาติของพระนละมาลิกาเถรีพระนละมาลิกาเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นหม่อมฉันได้เกิดเป็นนางกินนรีอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาหม่อมฉันได้เห็นพระสยามภูผทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเือกิเลสผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ ม่อมฉันเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีเกิดโสมนัสประนมมือแล้วเถอพวงมลาลัยดอกอ้อมาบูชาพระสยามผู่เลือกกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายกินรีแล้วจึงได้เปิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงหม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของท้าวเทวราชสามสิบหกพระองค์สิ่งที่หม่อมฉันปรารถนาด้วยใจ ย่อมบังเกิดตามความปรารถนาม่อมฉันได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัทสิทิพระองค์เป็นสตรีมีบุญกุศลสั่งสมไว้แล้วเวียนไหวตายเกิดอยู่ในภพกุศลของม่อมฉันมีม่อมฉันได้บวชเป็นบรรพชิตวันนี้ม่อมฉันเป็นบุคคลผู้ควรแก่การบูชาในศาสนาของพระสักระยบุตรวันนี้ม่อมฉันมีใจบริสุทธิ์ปราศจากจิตที่หยาบช้า อาสวะทั้งปวงก็สิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกในกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปมอมฉันได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพวงมาลัยดอกอ้อกิเลสทั้งหลายมอมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงมอมฉันก็ถอนได้แล้วมอมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระนละมาลิกาภิกษุณีได้พาสิกขาฐานเหล่านี้ด้วยประการนินัลลมาลิกาเทริยาประทานที่หกจบเจมหาปชาปฏีโคตมีเทริยาประทานประวัติเนติตชาติของพระมหาปชาปดีโคตมีเถรี พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงส่องโลกให้สว่างทรงเป็นสารีฝึกนรชนประทับอยูณ่ณปูตคารสาลาป่ามหาวันเคกรุงเวสาลีครั้งนั้นพระมหาปชาบดีโคตมีมีภิกษุณีพระมาตุชาณสาวของพระชินเจ้า อยู่ในสำนักของภิกษุณีในกรุงที่น่ารื่นรมนั้นพร้อมด้วยภิกษุณีอีกห้าร้อยรูปซึ่งล้วนแต่พ้นจากกิเลสแล้วเมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีนั้นอยู่ในที่สงดได้ตรึกคิดอย่างนี้ว่าการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอัครส า, าวกทั้งคู่ก็ดีของพระราหุลก็ดีของพระอานนุนและของพระนันทะก็ดีเราจะไม่ได้เห็น ก่อนแต่การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของพระอัคราสาวกทั้งคู่ของพระมาหากราสปะของพระนันทะของพระอานอน์และของพระราหุลเราก็จะไม่ได้เห็นเหมือนกันเราผู้ที่พระโลกนาถผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงอนุญาตแล้วพึงปรงอายุสังขารแล้วนิพพานภิกษุณีทั้งห้าร้อรูปก็ได้ตรึกอย่างนั้น แม้พระเขามาภิกษุณีเป็นต้นก็ได้ตรึกเช่นนี้เหมือนกันครั้งนั้นเกลดแผ่นดินไหวกลองทิศบันลือลั่นเทพที่สถิตยอยู่ในสำนักภิกษุณีถูกความเศร้าโศกบีบคั้นบนเพ้ออยู่อย่างน่าสงสารหลังน้ำตาในที่นั้นภิกษุณีทุกรูปพร้อมด้วยเทพเหล่านั้นได้เข้าไปหาพระโคตมีภิกษุณีสบศีษะลงแทบเท้าแล้วกล่าวคานี้ว่าข้าแต่พระแม่เจ้า เพราะหม่อมฉันมีปกติอยู่ด้วยการเทียบเคียงในธรรมเหล่านั้นหม่อมฉันจึงได้อยู่ในที่สงัดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกลองทิพย์บรนเลือลั่นและหม่อมฉันได้ยินเสียงคร่ำครวญข้าแต่พระโคตมีจะต้องมีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่ครั้งนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีนั้นได้บอกถึงเหตุทุกอย่างตามที่ตนได้ตรึกแล้วลำดับนั้น ทิสุนทุกรูปก็ได้บอกถึงเหตุที่ตนตรึกแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าพระแม่เจ้าชอบใจการนิพพานที่เกเสรอย่างยิ่งใชถึงหม่อมฉันทั้งหลายก็จะนิพพานทั้งหมดในการที่พระพุทธเจ้าจะทรงอนุญาตก่อนแม้หม่อมฉันทั้งหลายก็ได้ออกจากเรือนและจากภพ พ, พร้อมกับพระแม่เจ้าหม่อมฉันทั้งหลายก็จะไปสู่เมืองอันยอดเยี่ยมคือพระนิพพานพร้อมกับพระแม่เจ้าเหมือนกัน พระมหาปชาบริโคตมีกล่าวว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะไปนิพพานฉันจักว่าอะไรได้เล่าแล้วได้ออกจากสำนักภิกษุนีไปพร้อมกับภิกษุณีทั้งหมดในครั้งนั้นพระมหาปชาบริโคตมีภิกษุณีได้กล่าวกับทวยเทพทั้งหลายว่าขอเทพทั้งหลายที่สถิตอยู่ณสำนักพิกษณุณีจงยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดการเห็นสำนักภิษุณีของข้าพเจ้านี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้าย ในที่ใดไม่มีความแก่และความตายไม่มีการสมาคมกับสัตว์และสังขารซึ่งไม่เป็นที่รักไม่มีการพระพร่าจากสัตว์และสังขารซึ่งเป็นที่รักที่นั้นนักปราช่าวว่าเป็นอสังขตะสถานสถานที่ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระโอรสของพระสุครทั้งหลายที่ยังไม่ปราศจากราคะได้สดับคํานั้นเป็นผู้อัดอั้นตันใจด้วยความเศร้าโศกคร่ำครวญว่า น่าสังเวชหนอเราทั้งหลายช่างมีบุญน้อยสำนักภิกษุณีนี้จักว่างเปล่าเพราะเว้นจากภิกษุณีเหล่านั้นภิกษุณีผู้เป็นชิโนโรสจะไม่ปรากฏเหมือนดวงดาวทั้งหลายไม่ปรากฏในเวลาสว่างพระหมหาปชาบดีโคตมีจันนิพานพร้อมด้วยภิกษุณีอีกห้าร้อยรูปเหมือนกับแม่น้ำคงคาหลาไปสูุสาครพร้อมกับแม่น้ำห้าร้อยสาย อุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาเห็นภิกษุณีทั้งหลายกําลังเดินไปตามถนนได้พากันออกจากเรือนไปหมอบลงแทบเท้าแล้วกล่าวคํานี้กับพระโคตมีนั้นว่าการที่พระแม่เจ้าละทิ้งหม่อมฉันทั้งหลายผู้จมอยู่ในโพคะเป็นอันมากไม่มีที่พึ่งแล้วนิพพานไม่สมควรอุบาสิกาเหล่านั้นมีความต้องการบีบคั้นจึงพร่ำเพอ้อเพื่อจะให้อุบาสิกาเหล่านั้นละความเศร้าโศก พระนางจึงได้ตรัสอย่างไพเราะว่าอย่าร้องไห้ไปเลยลูกทั้งหลายวันนี้เป็นเวลาเรื่นเริงของท่านทั้งหลายทุกฉันกำหนดรู้แล้วเหตุแห่งทุกสมุทยฉันเว้นขาดแล้วนิโรธฉันได้ทำให้แจ้งแล้วและมักฉันก็ได้อบรมดีแล้วภานวาระที่หนึ่งจบพระาศาสดาฉันก็ได้บำรุงแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วภาระหนักฉันก็ปลงลงได้แล้วตัญหาที่เป็นเหตุนําไปสู่ภพฉันก็ถอนได้แล้วคุณระบุคุณล ะ, ณละิดาออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสังโยต์ทั้งปวงฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับพระพุทธเจ้าและพระสัท ธ, ธรรมของพระองค์ไม่ได้ย่อหย่อนยังดํำรงอยู่ตราบใด ตราบนั้นเป็นเวลาสมควรแล้วที่ฉันจะนิพพานลูกเอ๋ยอย่าได้เศร้าโศกถึงแม่เลยพระชินเจ้าพระราหุลพระอัญญาควนธัญะพระอานนทและพระนันทะเป็นต้นก็ยังดำรงอยู่ขอพระสงฆ์จงมีประโยชน์สุขร่วมกันขอให้เดรัี์จงเป็นผู้มีความโง่เขลาถูกกำจัดเสียเถิดยศเครือการย่ำยีมารแห่งวงพระเจ้าโอกา ก, า ก, าก ร, ราช ฉันก็ให้รุ่งเรืองแล้วลูกๆถึงเวลาที่แม่จะนิพพานแล้วมิใช่หรือความปรารถนาที่แม่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นมาช้านานจะสำเร็จแก่แม่ในวันนี้เวลานี้เป็นเวลาที่กรองอนันทเพรีบรรลือเสียงลูกเอ๋ยน้ำตาจะมีประโยชน์อะไรแก่พวกลูกถ้าลูกทั้งหลายจะมีความเอนดูหรือมีความกระตัญยูในมารดาก็ขอให้ลูกทุกคน จงทําความเพียรให้มั่นเพื่อความดํารงมั่นแห่งพระสัจธรรมเถิดพระสัมมาพุทธเจ้าซึ่งแม่ทูลอ้อนวอนจึงได้ทรงประทานการบรรพชาแก่สตรีทั้งหลายเพราะฉะนั้นแม่ยินดีฉันใดลูกทั้งหลายก็จงเจริญรอยตามความยินดีนั้นฉันนั้นเถิดครั้นพระนางพร่ำสอนอุบาสิกาเหล่านั้นอย่างนี้แล้วมีภิกษุณีทั้งหลายห้อมล้อมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า วหวแล้วเดยกราบทูลคำนี้ว่าข้าแต่พระสุคตมอมฉันเคยเป็นมารดาเลี้ยงของพระองค์ข้าแต่พระทีระเจ้าส่วนพระองค์เป็นปิดาของม่อมฉันข้าแต่พระโลกนาฏพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานความสุขที่เกิดจากพระศัทธธรรมข้าแต่พระโคดมมอมฉันเป็นผู้ที่พระองค์ทรงให้เกิดแล้วข้าแต่พระสุคตพระรูปกายของพระองค์นี้ อันม่อมฉันเคยฟูมฟักให้เจริญเติบใหญ่แล้วส่วนพระธรรมกายที่น่าเพลิดเพลินของหม่อมฉันอันพระองค์ทรงฟูมฟักให้เจริญแล้วพระองค์ม่อมฉันให้ดื่มน้ำนมอันระ ง, งับความหิวได้เพียงชั่วครู่ส่วนหม่อมฉันพระองค์ทรงให้ดื่มแม่น้ำนมคือพระธรรมซึ่งสงบระ ง, งับได้แท้จริงข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ชื่อว่าไม่ได้เป็นหนี้ม่อมฉัน ในเพราะการเลี้ยงดูด้วยความผูกพันมอมฉันได้ฟังมาว่าสตรีทั้งหลายผู้ปรารถนาบุตรขออยู่ก็ย่อมได้บุตรเช่นนั้นมารดาใดของจอมนรชนมีพระเจ้ามันธาตุเป็นต้นมารดานั้นเชื่อว่ายังบุตรให้จมอยู่ในห่วงมหันโนบคือพบข้าแต่พระปิโยรสส่วนมอมฉันผู้จมอยู่แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพ้นจากสาครคือพบได้ พระนามว่าพระพันปีหลวงสตรีทั้งหลายได้มาโดยง่ายแต่พระนามว่าพุทธมารดานี้สตรีทั้งหลายได้มาโดยยากอย่างยิ่งข้าแต่พระมหาวีระก็พระนามว่าพุทธมารดานั้นอันหม่อมฉันได้แล้วปณิธานน้อยใหญ่ของหม่อมฉันพระองค์ก็ทรงให้สำเร็จแล้วทั้งหมดนั้นพระองค์ทรงให้บริบูรณ์แล้ว มอมฉันปราถนาที่จะละร่างนี้ปริณิพานข้าแต่พระวีระเจ้าผู้ทาที่สุดแห่งทุกทรงเป็นผู้นำขอพระองค์ทรงโปรดอนุ ญ, ญาตให้มอมฉันเถิดขอพระองค์โปรดทรงเหยียดพระยุคลบาทที่วิจิตด้วยลายจักรลายจักก้นหอยและธงอันละเอียดอ่อนเหมือนดอกบัวออกเถิดม่อมฉันจะนอบน้อมพระยุคลบาทนั้นจะขอทาความรักในบุตร ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำมอมฉันจะทำสุรีระคือร่างกายของพระองค์เหมือนกองทองอันปรากฏเหมือนทับทิมให้เป็นอันมอมฉันเห็นดีแล้วจึงจะ น, นิพพานพระชีนเจ้าทรงแสดงให้พระมาตุชาเห็นพระวรากายที่ประกอบด้วยพระลักษณะสามสิบสองประการประดับด้วยพระรศมีอย่างงดงามซึ่งเป็นเหมือนดึงดูดดวงตาของคนผ่านลำดับนั้น พระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นได้ซกพระเสียร ล, ลงแทบพื้นพระยุคลบาทซึ่งเป็นลายจากคล้ายดอกบัวบานมีพระรัศมี ด, ดังดวงอาทิตย์แรกทอแสงแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดุดดวงอาทิตย์ของนอรชนหม่อมฉันนอบน้อมพระองค์ผู้เป็นธงแห่งวงพระอาทิตย์ขอพระองค์ทรงโปรดเป็นที่พึ่งของห ม, อม่อมฉันในการสุดท้ายด้วยเถิด หม่อมฉันจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกข้าแต่พระองค์ผู้เลิศในโลกผู้เป็นบ่อกเกิดแห่งพระกรุณาธรรมดาสตรีทั้งหลายรู้กันว่ามีแต่จะกก่อโทษทุกประการถ้าโทษอย่างใดอย่างหนึ่งของหม่อมฉันมีอยู่ก็ขอพระองค์ได้โปรดยกโทษแก่หม่อมฉันด้วยเถิดอันหนึ่งหม่อมฉันได้ทูลขอบ่อยๆให้สตรีทั้งหลายได้บวชข้าแต่พระองค์ผู้องค์อาจกวานรชน ถ้าโทษในข้อนั้นจะมีแก่ม่อมฉันขอได้โปรดยกโทษนั้นด้วยเถิดข้าแต่พระวีระเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งการยกโทษภิษุณีทั้งหลายอันม่อมฉันสั่งสอนแล้วตามที่พระองค์ทรงอนุญาตถ้าข้อนั้นจะมีการแนะนําผิดขอได้โปรดยกโทษในข้อนั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโคตมีผู้ประดับไปด้วยคุณชื่อว่านิพพานก็สมควรแก่เธอ จมีโทษอะไรเมื่อเธอบอกว่าจะลานิพานตถาคตจะไปว่าอะไรเธอให้มากเล่าเมื่อภิกษุสงฆ์ของตถาคตบริสุทธิ์ไม่บกพร่องเธอจะออกไปเสียจากโลกนี้ก็ควรเพราะในเวลาสว่างเมื่อดวงดาวหมดแสงจันทะเลขาก็เห็นเลือนไปภิกษุนี้ทั้งหลายนอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีพาคันธามประทักษิณพระชินเจ้าผู้เลิศ เหมือนกลุ่มดาวที่ติดตามดวงจันทร์ทำประทักศินภูเขาพระสุเมนหมอบลงแทบพระยุคลบาทแล้วยืนเพ่งดูพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าจากสุขของหม่อมฉันไม่เคยอิ่มด้วยการเห็นพระองค์โสดของหม่อมฉันก็ไม่เคยอิ่มด้วยพาสิทธิ์ของพระองค์จิตของหม่อมฉันดวงเดียวเท่านั้นบรรลุธรรมจึงอิ่มด้วยรสแห่งธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนรผู้ประเสรศิฐ เมื่อพระองค์บรรลืออยู่ท่ามกลางบริษัทปําจัดทิฐิมานะชนเหล่าใดเห็นพระพักของพระองค์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีค้าแต่พระองค์พูดถึงที่สุดแห่งสงครามชนเหล่าใดประนดน้อมพระยุคลบาทของพระองค์ซึ่งมีพระองคคุลียาวมีพระนขาแดงงดงามมีสันพระยุคลบาทยาวแม้ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดี ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนระผู้สูงสุดชนเหล่าใดได้สะดับพระดำรัสของพระองค์ซึ่งภัยราะหน้าปลื้มใจเผาเสียซึ่งโทษเป็นประโยชน์เกื้อกูลแม้ชนเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีข้าแต่พระมหาวีระมอมฉันอิ่มด้วยการบูชาพระยุ ค, คลบาทของพระองค์ข้ามพ้นทางกันดารคือสงสารได้ด้วยพระสุนทรกถาของพระองค์ผู้มีพระสิริ ฉะนั้นมอมฉันจึงชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีลำดับนั้นพระมหาประชาบดีโคตมีผู้มีวัดงามประกาศในหมู่พิกษุสงแล้วไหว้พระราหุลพระอานนท์และพระนันทะแล้วได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดิฉันเบื่อหน่ายร่างกายซึ่งเสมอด้วยที่อยู่ของอสรพิษเป็นรังแห่งโรคเป็นสถานที่เกิดทุกข์มีชราและมรณะเป็นโคจร เกลือนกลวนไปด้วยมนทินคือซากศกต่างๆต้องพึ่งพาผู้อื่นปราศจากความน่าไยใจฉะนั้นดิฉันจึงปรารถนาจะนิพพานเสียขอลูกๆทั้งหลายจงเข้าใจตามสมควรเถิดพระนันทเทระและพระพัทราหุลเป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกหมดอาสวะตั้งมั่นไม่วันวหวมีปัญญามีความเพียรได้คิดตามธรรมดาว่า หน้าติเตียนร่างกายที่ปัจจัยปรุงแต่งมีภาวะวันไหวปราศจากกันสารเปรียบได้กับต้นกล้วยเช่นเดียวกับพยับแด่ซึ่งเป็นมายาต่ำช้าไม่มั่นคงพระโคตมีเทรีพระมาปุชาของพระชินเจ้านี้ซึ่งได้เคยเลี้ยงดูพระพุทธเจ้าก็ยังต้องเสด็จนิพพานสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งล้วนไม่เที่ยงครั้งนั้นท่านพระราหุลพุทธอนุชา ซึ่งเป็นพระอุปภาของพระชินเจ้ายังเป็นพระเสขะบุคคลอยู่ท่านหลั่งน้ำตาคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาในที่นั้นว่าพระโคตมีเถรีตรัสอยู่หลัดๆก็จะเสด็จนิพพานเสร็จแล้วคงอีกไม่นานเลยแม้พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จดับขันธปรินิพานเหมือนไฟที่หมดเชื้อแล้วพระโคตมีเถรีได้ตรัสกับพระอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพระปริยัติธรรมที่ลึกล้ำปานสาครลฝากฝ่ในการอุปถามพระพุทธเจ้าซึ่งพร่ำรำพันอยู่ดังกล่าวมาว่าลูกเอย๋ยเมื่อการเป็นที่ร่าเริงปรากฏแล้วพ่อไม่ควรที่จะเศร้าโศกถึงการตายของแม่การนิพพานของแม่นั้นใกล้เข้ามาแล้วลูกเอย๋ยพระศาสดาลูกได้ทูนให้ทรงยินยอมจึงได้ทรงอนุญาตให้แม่บวชลูกเอย๋ย พ่ออย่าเสียใจไปเลยความพยายามของพ่อต้องมีผลก็บทใดที่เจ้ารัติทั้งหลายผู้เก่าก่อนไม่เห็นบทนั้นอันเด็กหญิงซึ่งมีอายุเจ็ดขวบรู้แจ้งประจักษ์แล้วพ่อจงรักษาพุทธศาสนาไว้การเห็นลูกเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายลูกเอ๋ยแม่จะไปสถานที่ที่บุคคลไปแล้วไม่ปรากฏในการบางคราวพระผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลก ทรงเปล่งวาจาจแสดงธรรมครั้งนั้นแม่ผู้มีความอนุเคราะห์จึงกล่าววาจาที่มีความหวังว่าข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์จงทรงพระชนอยู่นานๆข้าแต่พระมหามุนีขอพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ตลอดกลับเพื่อประโยชน์เพื่อ ก, กูลแก่ชาวโลกทั้งปวงเถิดขอพระองค์ทรงยาชาราและปรินิพานเลย พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสกับแม่ผู้กราบทูลอยู่เช่นนั้นว่าพระนางโคตมีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อันเคยใครไม่ควรวิงวอนเหมือนอย่างที่เธอวิงวอนอยู่เลยก็อย่างไรพระตถาคตผู้สัก พ, พันอยู่จึงชื่อว่าอันบุคคลพึงวิงวอนและอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอันบุคคลไม่พึงวิงวอนพระองค์อันหมอมฉันทูลถามถึงเหตุนั้นแล้ว ขอได้โปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก่มอมฉันด้วยเถิดท่านจงดูสาวกทั้งหลายผู้ปรารพความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรมีความบากบั่นมั่นคงเป็นนิดเป็นผู้พร้อมเพลียงกันนี้เป็นการวิงวอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่อแต่นั้นดิฉันไปสู่สำนักของภิกษุณีอยู่คนเดียวคิดได้อย่างชัดแจ้งว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่ง พูดถึงที่สุดแห่งไตรภคทรงพอพระทัยบริษัทที่สามัคคีกันเอาเถิดเราจะนิพพานอย่าได้พบเห็นความวิบัตินั้นเลยครั้นดิฉันคิดอย่างนี้แล้วได้เข้าเฝ้าพระฤาษีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าแล้วเด้กราบทูลการเป็นที่ปรินิพพานกับพระผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงอนุญาตว่าจงรู้การเองเถิดพระนางโคตมี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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกม่อมฉันก็ได้ทําไม่แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีคนพานเหล่าใดมีความสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสตรีทั้งหลาย ท่านจงแสดงฤทธิ์เพื่อการละทิฐิของคนพาลเหล่านั้นครั้งนั้นพระโคตมีเถรีมาบปราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าแสดงฤทธิ์เป็นอเนกประการตามพุทธานุญาตคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทําให้ปรากฏก็ได้ทําให้หายไปก็ได้ทะลุฟ้ากําแพงภูเขาก็ได้ไปได้เมตตขัด ดำลงไปในแผ่นดินเหมือนดำลงไปในน้ำก็ได้เดินไปบนน้ำโดยที่น้ำไม่แตกกระจายเหมือนเดินไปบนแผ่นดินก็ได้เนื่องขัดสมาธิลอยเป็นอากาศเหมือนนางนกก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ทำเซเนรุบันพฤให้เป็นคันร่มทำแผ่นดินใหญ่ให้เป็นตัวร่มพลิกเอาเบื้องล่างขึ้นเดินกั้นร่มไปมาในอากาศ ได้ทำโลกให้สวยงามประหนึ่งเวลาอาทิตย์หกดวงอุทัยเหนือภูเขายุคันธรและได้ทำโลกให้เป็นเหมือนกลุ่มตาข่ายดอกไม้ที่ยอดภูเขายุคันธรใช้ประหัดข้างหนึ่งกำภูเขามุจลินภูเขาเซเนรุภูเขามันทาระและภูเขาทัทระไว้ได้ทั้งหมดเหมือนกมเมล็ดพันุ์ผักกาดใช้ปลายนิ้วประหัดบางดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไว้ ทัรงดวงอาทิตย์และดวงจันไว้เป็นพันพันดวงเหมือนทัรงพวงมาลัยใช้ฝ่าพระหัตถ์ข้างหนึ่งทานน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไว้ได้ทำฝนหาใหญ่ให้ตกเมียการดังสายน้ำที่ตกจากภูเขายุคันธรพระนางนั้นได้เนรมิตองค์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพร้อมด้วยบริวารในท้องฟ้าแสดงเป็นครุฑโคจฉานราชสีต่างบรรลือร้องอยู่ พระองค์เดียวทรงเนรมิตเป็นคณะพิษุนีนับไม่ถ้วนแล้วก็อันตรธานกลับเป็นองค์เดียวกราบทูลพระมุนีว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีพระจักสุมว่วฉันผู้เป็นพระมาตุฉาของพระองค์เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสัง่งสอนของพระองค์บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วขอกราบพระยุคลบาทพระนางครั้นแสดงฤทธิ์อย่างต่างๆแล้วลงจากท้องฟ้า สรงว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงสองโลกให้สว่างแล้วประทับนั่งณที่สมควรแห่งหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาโมนีวีระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำหม่อมฉันนั้นมีอายุได้ร้อยยี่สิบปีเพียงเท่านี้ก็พอแล้วหม่อมฉันจากนิพพานครั้งนั้นบริษัททั้งหมดนั้นถึงความพิศวงยิ่งนักจึงได้พากันประนมมือถามว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าผู้มีความบากบันพระแม่เจ้าได้ทมบุญอะไรไว้จึงเป็นผู้มีฤทธิ์หาที่เปรียบไม่ได้พระมหาปชาบดีโคตมีเทรีได้กล่าวบุพ จ, จริยาของท่านดังต่อไปนี้ว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้มีพระจักสุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเนื้กับที่หนึ่งแสนนับจากกับนี้ไปครั้งนั้น ข้าพเจ้าเกิดในตระกูลอมาร์ซึ่งสมบูรณ์ด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีทรัพย์มากในครองหขงสวดีในการบางคราวข้าพเจ้าพร้อมด้วยบิดามีหมู่ทาสีห้อมล้อมเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้องค์อักวินรชนพร้อมด้วยบริวารจํานวนมากพระชินเจ้าผู้ไม่มีอาสวะทำผลคือทำให้ตกลงอยู่เหมือนท้าววาสวะ มีกลุ่มแห่งพระรัศมีโชดช่วงเช่นกับดวงอาทิตย์ในศาสการเขาพระเจ้าเห็นแล้วทำจิตให้เลื่อมใสและได้สดับสุภาษิตของพระองค์ได้สดับพระผู้ทรงเป็นผู้นำของนอรชนส่งตั้งภิกษุณีผู้เป็นพระมาตุชาไว้ในตำแหน่งที่เลิศจึงได้ถวายมหาทานและปัจจัยจำนวนมากแต่พระผู้เลิศ ก, กว่านรชนผู้คงที่พระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสงฆ์ตลอดเจดวัน แล้วจึงมอบลงแท้พระยุคลบาทได้ปราถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระเรสีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าได้ตรัสในที่ประชุมใหญ่นั้นว่าเราจะพยากรสตรีผู้ที่นิมนต์พระผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพิสุสง์ให้เสวยและฉันตลอดเจ็ดวันท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป พระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกา ก, าการกราชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามปรากฏว่าโคตมีเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากเป็นสาวิกาของพระาศาสดาพระองค์นั้นจากเป็นพระมาตุจ่าบํารุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ความเป็นผู้เลิศกว่าพิษุนีทั้งหลายฝ่ายรู้ราตรีนานครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้มีใจปราโมทบำรุงพระชินเจ้าด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ได้ตายไปข้าพเจ้าบังเกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงซึ่งให้สำเร็จสิ่งที่น่าใคร่ทุกประการครอบงำพวกเทพเหล่าอื่นด้วยองค์สิประการคือด้วยรูป เสียงกลิ่นรสภาษะธรรมารมอายุวันนะสุขและยศอันหนึ่งรุ่งเรืองครอบงามเทพเหล่าอื่นด้วยความเป็นใหญ่ข้าพเจ้าได้เป็นพระมเหสีผู้เป็นที่รักของเท้าอมรินทราธิราชชั้นดาวดึงนั้นเมื่อข้าพเจ้ายังเวียนไหวตายเกิดอยู่ในสงสารเป็นผู้วันไหวเพราะพายุคือกรรมจึงเกิดในหมู่บ้านธาตุในอนาเขตของพระเจ้ากาสี ครั้งนั้นท่าห้าร้อยคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเขาพเจ้าได้เป็นพัญญาของหัวหน้าท่าทั้งหมดในหมู่บ้านนั้นพระปัเจกพระพุทธเจ้าห้าร้อยองค์ได้เข้าไปสู่บ้านเพื่อบริทบาตเขาพเจ้ากับญาทุกคนเห็นพระปัเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจึงมีความยินดีเขาพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยสามีเลื่อมใสแล้วจึงช่วยกันสร้างคูดีห้าร้อยหลังถวาย อุปถากตลอดสี่เดือนแล้วถวายไตรจีวันจากนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยสามีตายไปก็ได้ไปเปิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นภพสุดท้ายข้าพเจ้าได้เกิดในกรุงเทวทหะพระชนกของข้าพเจ้าทรงพระนามว่าอัญชนะสักยะพระชนนีของข้าพเจ้าทรงพระนามว่าสุลักขณาต่อมาข้าพเจ้าได้ไปสู่พระราชวังของพระเจ้าสุโธธนะ ในกรุงกระบิลพัฒน์สตรีทุกคนเกิดในตระกูลสากยะแล้วได้ไปสู่พระราชวังของเจ้าสักยะทั้งหลายข้าพเจ้าประเสริฐกว่าสตรีทุกคนได้เป็นผู้บำรุงเลี้ยงพระชินเจ้าพระโอรสของข้าพเจ้าพระองค์นั้นสเสด็จออกมหาพิเนศกรมแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษภายหลังข้าพเจ้าพร้อมด้วยนางสาคิยานีห้าร้อยนางจึงได้บวช แล้วได้ประสบสันติสุขพร้อมด้วยนางสาวกิยานีผู้มีความเพียรในครั้งนั้นชนเหล่าใดผู้เคยเป็นสามีของพวกข้าพเจ้าในชาติก่อนชนเหล่านั้นเคยทำบุญร่วมกันมาประพฤติตามคำสอนที่ควรบูชาพระสุคตรทรงอนุเคราะห์แล้วได้บรรลุอรหัตผลภิกษุนีทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากนอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีนั้น ได้พากันเหาะขึ้นสู่ท้องฟ้ารุ่งโรจน์เหมือนดวงดาวทั้งหลายที่โคจรเกาะกลุ่มกันไปภิษุนีเหล่านั้นเป็นผู้ศึกษาแล้วในบุญกรรมจึงแสดงฤทธิ์ได้เป็นอเนกประการเหมือนนายช่างทองที่ได้รับการศึกษาแล้วแสดงเครื่องประดับทองคำชนิดต่างๆครั้งนั้นพิษุนีเหล่านั้นครั้นแสดงปฏิหารมากมายหลายอย่างแล้วทาพระมุนีผู้ประเสริฐกว่าดวงอาทิตย์ พร้อมทั้งบริษัทให้สงพรพระไทยยินดีแล้วได้พากันลงจากท้องฟ้าไหว้พระฤูปีผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าผู้อันพระาศาสดาผู้เป็นนรกผู้เลิศทรงอนุญาตแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระวีระเจ้าน่าชมเชยพระโคตมีเถรีเป็นผู้อนุเคราะห์มอมฉันทั้งปวงมอมฉันทั้งหลายถูกพระนางอบรมด้วยบุญ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 วิชาสามมอมฉันทั้งหลายได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันทั้งหลายก็ได้ทำสำเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกมอมฉันทั้งหลายก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันทั้งหลายก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละข้าแต่พระมหามุนีมอมฉันทั้งหลายเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธ มีทิพโสตธาตุและในเจโตปริยาญาณรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยะจักสุม่อมฉันทั้งหลายก็ชำระให้หมดจดแล้ว